ต่อไปนี้ขอให้ญาติโยมทั้งหลายทากันตั้งใจที่จะทำสมาธิกันต่อไปในเบื้องต้นนี้ให้ว่าตามอาตมาทุกๆคนข้าพระเจ้าแลลึกถึงคุณระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสง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 ใจของเรานั้นอยู่ที่รู้รู้อยู่ที่ตรงไหนใจของเราก็อยู่ที่ตรงนั้นถ้าเรากำหนดไว้ซึ่งหน้าก็ได้กำหนดไว้ที่หัวอกเบื้องซ้ายก็ได้กำหนดไว้แล้วก็ตั้งความรู้ไว้ที่นั่นนึกพุทโธอยู่ที่นั่นจิตนั่นก็จะไม่ใส่แสไปทางอื่น จิตก็จะตั้งเที่ยงตั้งมั่นเมื่อจิตตั้งได้แล้วมีความเบากายเบาใจเกิดความรู้สึกความเย็นใจก็ไม่ต้องบริกรรมพุทโธกำหนดแต่ใจอย่างเดียวการที่เราทำสมาธินั้นเพื่อให้เกิดพลังจิตความสงบของจิตถือว่า เป็นส่วนที่ให้เกิดพลังจิตพลังจิตนั่นคือกระแสจิตกระแสจิตนั่นก็คือกระแสธรรมการฝึกฝนจิตใจย่อมได้รับประโยชน์มหาศาลใจของคนเรานั่นเป็นสิ่งปกติเรียกว่าตัวผู้ไม่ตายหรือเรียกว่าเป็นตัวเรา ส่วนร่างกายอันนี้เป็นเพียงธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมมีเกิดขึ้นแล้วก็มีดับไปร่างกายเกิดขึ้นแต่ต้นเด็กต่อไปก็หนุ่มสาวต่อไปก็เท่าแกต่อไปก็ตายแล้วทุกคนก็ต้องเดินเข้าไปหาที่สุดคือความตายเดียกันทั้งนั้น แต่ว่าใจนั่นเองที่ไม่ตายเมื่อใจไม่ตายความดีและความชั่วหรือเรียกว่าบุญหรือบาปก็จะต้องตกอยู่ในเป็นภาระของใจที่จะเป็นผู้ได้รับการที่จะไปเกิดต่อไปนั้นก็อาศัยใจใจนี้จะเป็นผู้ไปเกิดในที่ต่างๆ ใจนี้อาจสามารถที่จะไปเกิดได้ทุกผลแห่งอาจจะไปเกิดในนรกอาจจะไปเกิดเป็นเปรตอาจจะไปเกิดเป็นสุรกายสัตว์ไรฉานหรือจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือจะไปเกิดเป็นเทวบุตรเทวดาก็สุดแล้วใจจะไปเกิดได้ทั้งนั้นการที่ไปเกิดในที่นั้นๆอาศัยกรรมเป็นผู้นาให เป็นไปกรรมนั้นได้แก่การกระทำเมื่อบุคคลสร้างบุญกุศลสร้างความดีมีจิตเป็นเมตตาต่างๆเหล่านี้แล้วอันนี้ก็เป็นทางไปสู่สวรรค์ผู้ที่มีใจร้ายมีการที่ทำบุคคลผู้อื่นให้เกิดความเดือดร้อนทั้งโกงทั้งพยายามฆ่าหรือพยายามทำร้าย ต่างๆเหล่านี้เรียกว่าพวกบาปอันนี้ก็ถือว่าเป็นกรรมที่ไม่ดีที่จะต้องทําให้จิตนี้จะต้องไปเกิดในนรกเป็นต้นส่วนผู้ที่ได้มาทําสมาธิทําจิตใจนั่นอย่างต่าที่สุดก็ต้องไปเกิดเป็นพรหมเรียกว่าพรหมชั้นต่ํา พรหมชั้นต่ำไปจนกระทั่งถึงพรหมชั้นสูงพลมนั่นคือสถานที่สูงกว่าสวรรค์สวรรค์ยังชั้นต่ำพอถึงขั้นพรหมก็เรียกว่าชั้นสูงการไปเกิดเป็นพรหมได้ก็ต่อเมื่อบุคคลผู้นั้นได้สร้างสมาธิให้แก่ตนไปเกิดเป็นพรหมนั่นมีพรหมตั้งแต่ชั้นที่หนึ่งถึงชั้นที่สิบ สุดแล้วแต่ว่าจิตนั้นจะมีความละเอียดแค่ไหนจิตที่เป็นพรมนั่นคือจิตที่เป็นฌานฌานที่จะเกิดขึ้นแก่การทำจิตนั้นก็มีปฐมฌานทุติยฌานปฏิยฌานจตุติฌานอากาสานัญจายยตนะฌานวิญญาณัญจายยตนะฌานอากิกนจยญายตนะฌาน เนวสัญญาณาสัญญายตนาชานเรียกว่ารูปฌานสี่อรูปฌานสี่หรือเรียกว่าสมาบัตแปดรูปฌานในเบื้องต้นคือปฐมฌานนั้นมีองค์ห้าคือวิตกวิจารปีติสุเกกคตาวิตกวิวิตกวิจารนั้นคือการนึกพุทโธเสร็จแล้วจิตก็จะเป็นหนึ่ง เมื่อจิตเป็นหนึ่งแล้วก็เกิดปีติเมื่อเกิดปีติแล้วก็เกิดความสุขอันนี้เป็นองค์แห่งปฐมฌานการที่เป็นเช่นนี้ได้ก็ต่อเมื่อเขาได้บริกรรมพุทโธจนกระทั่งจิตเป็นหนึ่งได้เกิดความสุขได้เกิดความเบาได้แต่ปฐมฌานนั้นเรียกกว่าฌานชั้นต้นเรียกกว่าฌานอ่อนมาก เพราะฉะนั้นจึงมีการหวั่นไหวมีเสียงกระทบหรือมีอะไรมากระทบหน่อยจิตนั้นก็เกิดอารมณ์อย่างนี้ mm hmm. เมื่อบุคคลผู้ที่ได้บำเพ็ญปฐมวชารนตามสมควรแล้วคือหมายความว่าเป็นปฐมวชานนับหนึ่งนับสองนับ ส, บสี่นับแปดนับร้อยครัําเป็นต้นแล้วเขาจิตนั้น ของเขาก็จะขยับขึ้นไปสู่ทุติยฌานทุติยฌานนั้นมีองมีองสามคือยกปีวิตกวิจารณ์ออกไปเสียเหลือแต่ปิติสุกเอากาคตาผู้ที่บำเพ็ญถึงทุติยฌานนั้นคือผู้ที่บำเพ็ญไม่ต้องบริกรรมใดๆทั้งสิน้นคําบริกรรมไม่ว่าจะเป็นคําบริกรรมใดๆ คำบริกรรมนั่นถือว่าเป็นปฐมฌานหรือถือว่าเป็นสมาธิชั้นต่ําสุดเรียกว่าปฐมฌานนั้นเพราะฉะนั้นจิตของผู้ที่ย่างเข้าไปสู่ทุติยฌานจึงไม่มีคำบริกรรมใดๆเพียงแต่กําหนดเอ ก, กคตาไว้อย่างเดียวเท่านั้นปิติก็มีแล้วสุขก็มีแล้ว พิจิได้แก่ความ อ, อิบอิ่มสุขได้แก่ความสบายที่เกิดขึ้นจากองค์แห่งฌานเมื่อบุคคลผู้ที่ได้สร้างผู้ติยฌานเกิดขึ้นโดยที่ทำจิตให้สงบไม่ต้องใช้คำวบริกรรมใดๆแล้วเป็นครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองที่สี่ที่ร้อยเป็นต้นจิตของเขาก็จะเกิดความชำนาญขึ้น จิตนั้นก็จะยกจากภูติยฌานไปสู่ตติยฌานตติยฌานนั้นก็มีองสองลดลงไปอีกองสองนั้นเหลือแต่สุขเอกคตาปีติก็ไม่มีแล้วเมื่อมาถึงตัติยฌานนั้นจิตนั้นก็จะสงบอยู่ได้เป็นเวลานานจะเป็นเวลาชั่วโมงหรือจะมากกว่านั้นก็ได้ ตาติยฌานมีแต่ความสุขแล้วก็มีมีความเป็นหนึ่งของจิตเรียกว่าตาติยฌานนั้นเมื่อตาติยฌานได้รับผลและทำให้เกิดขึ้นแก่ตนของตนมากขึ้นหนึ่งครั้งก็ดีสองครั้งก็ดีร้อยครัง้งพันครั้งก็ดีที่เกิดขึ้นนั้นจิตนั้นก็จะยกระดับจาก ก ต, ติยชานเป็นจตุติชาญหมายถึงชั้นที่สี่จตุติชานนั้นจะไม่มีความสุขมีแต่ความวางเฉยกับความเป็นหนึ่งเมื่อมาถึงขั้นจตุติชานนี้ท่านกล่าวว่าเป็นที่ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อผู้ปฏิบัติเมื่อผู้ปฏิบัติต้องการที่จะพ้นจากทุกข์ กูดทำถึงจะตุทธชานก็ดำเนินจิตเข้าสู่วิปัสสนาไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปกังวลสิ่งอื่นใดสามารถที่จะดำเนินวิปัสสนาต่อไปได้ตาเออจะตุทธชานนั้นคือออเบขาและเอกัคตาหมายถึงถ้าจะเปรียบเทียบก็หมายถึงว่าผู้ที่เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐี มีเงินนับไม่ถ้วนร้อยล้านก็นับว่ามากพันล้านก็นับว่ามากหมื่นล้านก็นับว่ามากแสนล้านก็นับว่ามากแต่เศรษฐีนั้นเขามีมากกว่านั้นข้อนี้ท่านเปรียบเหมือนกับจจตุทะชานที่สามารถสะสมพลังจิตไว้ได้มากแล้วเหมือนกับผู้ที่เป็นเศรษฐีมีเงินต้องการอยากได้บ้านสักหลังหนึ่ง เนรมิตชั่วพิตาเอาเงินไปซื้อก็ได้แล้วต้องการอยากได้ที่ดินก็เอาเงินไปซื้อเนรมิตมาก็ได้แล้วต้องการอยากได้อาหารสิ่งใดเอาเงินไปเนรมิตมาก็ได้แล้วหรือต้องการอยากได้หยดยานพาหันะรถลาต่างๆเอาเงินไปซื้อก็เดี๋ยวเดียวก็เนรมิตออกมาได้แล้วนั่นหมายความว่าเป็นเศรษฐี ท่านเปรียบเหมือนกับผู้ที่ได้ถึงจะตุดใจฌานเป็นเศรษฐีในทางใจมีพลังจิตที่สูงแล้วสามารถที่จะดําเนินเข้าสู่อริยสัจหรือสามารถที่จะดําเนินเข้าสู่สัจธรรมที่เรีย ก, กว่าเป็นหนทางกลางหรือเรีย ก, กว่าเป็นหนทางที่จะกําจัดกิเลสนั้นส่วนพวกฤาษีต่างๆ แต่เขายังไม่รู้จากผลทางเขาก็จะพยายามทำจิตจากรูปฌานนี้ให้เป็นอารูปฌานคืออากาศานันจา ย, ยตนะแปล ว, ว่าไม่มีสิ่งหนึ่งใดนอกจากอากาศว่างเปล่าเรียกว่ามีความว่างไม่มีอะไรไมาเจอือตนอารมณ์สิ่งหนึ่ใดก็ไม่เจือปนอยู่ในความว่างเช่นนั้น เรียกว่าอารูปประชานชั้นที่หนึ่งคืออากาสาณจายัตนาชานและอารูปประชานชั้นที่สองคือวิญญาณจายัตนาชานได้แก่ความรู้มีความรู้กาหนดความรู้มีความรู้อยู่สิ่งอื่นใดนั้นก็ไม่ปรากฏหมายความว่าใครจัดอารมณ์สัญญาไปหมดแล้วทั้งสิ้น เหลือแต่ความรู้อันเดียวเท่านั้นนั่นเรียกว่าเป็นวิญญาณัญญ ย, ยตนะฌานเป็นอรูปฌานที่สองอากินยยัญญยตนะฌานอารูปฌานที่สามนั้นความรู้ไม่มีนิดนึงก็ไม่มีมีแต่ความซึ่งคือความซึ่งอันนั้นน่ะมันเป็นความลึกซึ้งอยู่ในสถานที่เรียกว่ามีความลึกซึ้ง ไม่มีอะไรที่จะเข้ามาเจือปนอารมณ์แม้แต่นิดเดียวอย่างนี้เรียกว่าอากินจัญญายตนะฌานเมื่อผู้ที่บำเพ็ญอากินจัญญายตนะฌานนี้มากขึ้นตามลําดับแล้วจิตนี้ก็จะขึ้นสู่เนวะสัญญาณาสัญญายตนะฌานเพื่อจะขึ้นสู่อรูปฌานชั้นสุดท้าย คือสัญญาก็ไม่ใช่ไม่ใช่สัญญาก็ไม่ใช่คือหมายความว่าไม่มีอะไรเลยมีแต่จิตดวงเดียวเท่านั้นอันนี้เรียกว่าอารูปฌานชั้นสุดท้ายเมื่อผู้ที่เขาทำได้เช่นนี้เขาเรียกว่าได้ฌานสมาบัติหรือเรียกว่าสมาบัติแปดผู้ที่ทำเช่นนินได้นั้นจะนั่งไม่ต้องทานอาหารเลยได้ตลอดเจ็ดวัน ไม่ต้องลุกเรียกว่าเป็นผู้ที่กำหนดจิตนั้นให้อยู่นานเท่าไหร่ก็นานได้อย่างนี้เรียกว่าอารูปฌานอารูปฌานนี้ยังไม่สามารถกำจัดกิเลสได้ต้องมาเกิดอีกเพราะอะไรเพราะว่าผู้ที่สำเร็จฌานนั้นเพียงแต่ข่มกิเลสไว้ยังไม่สามารถกำจัดกิเลสออกไปได้เพียงข่มไว้เท่านั้น เมื่อคมไว้ก็ข่มไว้ได้นานท่านเหล่านี้ท่านจะไปเกิดในชั้นพรหมกันทั้งสิ้นในระยะเวลาอันยาวนานเหลือเกินกว่าแต่ที่จะกลับมาเกิดได้อีกคือเป็นมนุษย์อีกก็ต้องเป็นเวลานา น, านคือเปเสวยความสุขอยู่ที่ชั้นอรูปรอรูปภพในทางนี้พระพุทธศาสนากล่าวว่า เป็นโลกียชาชันโลกิยชาชันเรียกว่ารูปประชานสีรูปประชานสี่รวมกันเรียกว่าสมาบัตแปดอันนี้เรียกว่าเป็นโลกียังไม่สามารถที่จะเรียกได้ว่าเป็นโลกุตระโลกุตระนั้นก็แยกออกตอนที่ดำเนินจิตไปถึงรูปประชานชั้นสุดท้ายคือจะติดประชาน เมื่อไปถึงขั้นนั้นแล้วจิตนี้ก็จะมีพลังคือมีกำลังอย่างยิ่งหลับตาไปก็เหมือนลืมตามีสิ่งเย่กว่าดวงตาทิศสามารถที่จะมองลอดทะลุผิวเปงไปได้อย่างนี้เป็นต้นแทนที่จะไปมองไปในทางอื่นเดี๋ยกวกะมองไปในทางผิดในพระพุทธศาสนาก็แนะนำให้ ดำเนินวิปั ส, สนาคือดำเนินวิปั ส, สนาให้เห็นจริงแจ้งระจักในเรื่องของวิปั ส, สนาการดำเนินจิตมาถึงความแจ้งประจักของวิปัสสนานั้นก็จำเป็นที่จะต้องยกตัวอย่างให้ท่านทั้งหลายได้ทราบว่าวิธีการดำเนินวิปัสสนานั้นเขาทากันมาอย่างไร ยกตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงอนัตตลกณสูตรให้แก่ท่านปัญจวัคคีทั้งห้าได้ได้สดับที่พระองค์แสดงถึงอนัตตลกณสูตรนั่นคือการแสดงถึงอุบายวิธีของวิปัสสนาหมายถึงว่าธรรมะขั้นสูงของพระพุทธศาสนา เริ่มด้วยที่พระองค์ได้ทรงสแสดงว่ารูปังพิกเวอานตตาดูก่อนภิกสุทั้งหลายรูปไม่ใช่ตนทรงสแสดงไปอย่างนี้อันนี้เรียกว่าเริ่มด้วยวิปัสสนาคำที่ว่าไม่ใช่ตนนั้นก็ามันไม่ได้อยู่ในอำนาจของเราเราบอกมันอย่าแก่มันก็แก่บอกมันอย่าตายมันก็จะต้องตายคือมันไม่ได้อยู่ในอำนาจของเราจึงเรียกว่า <c oughs> การดำเนินวิปั จ, จนาในขั้นแรกพิจารณาหเห็นตามความเป็นจริงเมื่อพระองค์ให้พิจารณาเช่นนั้นแล้วพระองค์ก็ทรงแสดงในขั้นต่อไปว่าจักิงมันยถะภิกขเวรู ป, ปังนิจังวาอนิจังวาติพระพุทธเจ้าได้ถามท่านปัญจวัคคีว่ารูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงท่านปัญจวัคคีตอบว่าไม่เที่ยงพระเจ้าข่า เมื่อมันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแล้วควรหรือที่จะมายึดถือเอาว่าเป็นตัวตนในข้อที่สามต่อไปพระองค์ก็ทรงแสดงว่าปตสมาติหะภิกทูเอควายเหตุนั้นภิกษุทั้งหลายรูปังอัตติตังานาคตังปัจจุบันนั่งรูปในอดีตรูปในอนาคตรูปในปัจจุบันสัพพังรูปังรูปทั้งตัวในตังมะมะเนสโอมัสสมิณเนะเมโออัตาติ มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราและไม่ใช่ตัวตนเราเอวาเมตังยถาภูตางสมัปปัญญาอย่าได้ต่ บ, บังให้พิจารณาตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบพระองค์ได้ทรงจัดว่าให้พิจารณาตามความเป็นจริงด้วยปัญญาปัญญาในที่นี้หมายถึงเระแสจิตไม่ได้หมายถึงอะไรไม่ได้หมายถึงการท่องบนไม่ได้หมายถึงชาววานะ หรือไม่ได้หมายถึงสิ่งที่คนเขาฉลาดา อ, อย่างน้นอย่างนี้แต่ว่าหมายถึงการที่ได้พิจารณาเห็นมีพลังจิตเป็นกระแสะจิตหมายถึงกระแสะจิตหรือหมายถึงดวงตาญาณหรือเรียกว่าดวงตาทิพย์เมื่อลับตาพิจารณาแล้วก็เห็นเห็นรูปที่พระพุทธองค์ได้ทรงสแสดงว่า รูปังอดีตตังรูปังอนาคตตังรูปังปัจจุบันังรูปังอดีตตังก็ในอดีตเราจากนี้ไปห้าสิบสี่สิบสา5สิบยี่สิบสิบเก้าแปดเจ็ดกห้าสีสามสองหนึ่งอยู่ในท้องของมันดานม่เรียกว่า <c oughs> กายในอดีตกายในอนาคตนั้นจากนี้ไปก็หกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบตายละถูกเผาไฟเหลือแต่กระดูก อย่างนี้เรียกว่าอนาน็ตังวาปัจจุบันนังวากายในปัจจุบันก็ให้พิจารณาถึงความไม่สวยไม่งามต่างๆออกมาทางตาขี้ตาหูขี้หูจมูกขี้มูกกายที่เหงื่อที้คลายเหล่านี้ที่พระองค์แสดงว่าอายังโขเมกาโยกายของเหล่านี้แหละุดทางปาทัตลาเบื้องันแต่พื้นเท้าขึ้นมา อาโทเกสามัตถกาเบ้งต่ำแต่ปลายผมลงไปแต่จะปริยนตอมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่จุดรอบคุรโรนานะประกาศจะสุจิโนโตเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีระการต่างต่างอธิมัสมิงกายมีอยู่ในกายนี้อันนี้เรียกว่ากายปัจจุบันคือเมื่อเราพิจารณาเห็นจริงทั้งกายในอดีตเห็นจริงทั้งกายในอนาคตเห็นจริงทั้งกายในปัจจุบันแล้ว จากนั้นไปจิตก็จะเกิดรูปรสมิงตินิบินติเกิดความเบื่อหน่ายความเบื่อหน่ายที่เกิดขึ้นนั่นคือการพิจารณาตามความเป็นจริงหมายความว่าการพิจารณาตามความเป็นจริงสมควรพิจารณาตามความเป็นจริงเห็นจริงแ จ, จ้งระจับลงไป เ, เราหลับตาก็เหมือนกับลืมตามองเห็นอย่างนี้เรีย ก, กว่าเห็นจริงแ จ, จ้งระจับถ้าทำได้อย่างนี้ เรียกว่าวิปัสนาแต่การที่จะให้เกิดเป็นวิปัสนาอย่างแท้จริงจริงๆลงไปและให้มากก็หมายความว่าต้องทำพิจารณารูปนี้ให้เห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นมาแล้วดับไปจเกิะทัางเกิ ด, กดนิพพยานความดวนานขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าเราได้ทำเพือหมายความว่าได้ทำให้เกิดยานขึ้นมา และการทาให้เกิดขึ้นเช่นนี้นั้นจะต้องทำให้นานหมายความว่าทาให้ยาวนานเมื่อเมื่อได้ผลทางอย่างนี้แล้วเราก็ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆในที่สุดก็จะท่องสำเร็จอันที่เรียกว่าสำเร็จนั้นก็คือสำเร็จสละละกิเลสได้แล้วทั้งปวงเพราะฉะนั้นการที่ เราท่านทั้งหลายได้พากันมาปฏิบัตินั้นคือมาปฏิบัติในทางจิตนั้นจึงถือว่าเป็นการเดินทางโดยตรงที่จะเข้าสู่ที่สุดแห่งทุก์เรียกว่าพระนิพพานเป็นต้นในพระพุทธศาสนาแนะนําไว้ว่าผู้ที่จะเดินทางเข้าสู่พระนิพพานนั้นต้องมีการเสียสละทุกสิ่งทุกอย่าง แต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปถึงสิ่งทนิพพานนั้นก็จำเป็นที่จะต้องสร้างความดีต่างๆเพื่อสะสมไว้ให้มากเป็นนิสัยเป็นวาสนาเป็นบารมีเป็นกุศลมหากุศลให้เกิดมีขึ้นแก่ใจของเราแล้วใจของเราอันนี้ก็จะได้รับการพัฒนาขึ้นตามลำดับจนกระทั่ง สามารถกำจัดกิเลสไปได้ในที่สุดอย่างนี้เป็นต้นนี่และเรียกว่าทางที่ถูกต้องที่จะนำพวกเราทั้งหลายเดินทางไปสู่ที่สุดพบต่อจากนี้ไปขอให้ทุกคนพากันตั้งใจนั่งสมาธิกันต่อไป